แต่แค่หน้าที่ปริญญาก็ยังไม่รู้จักส่วนถามตอบบรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2549นี่ก็เป็นการสรุปอย่างหนึ่งโยมยังไม่ถามอะไรก็คุยต่อไปคุยไปเรื่อยๆอันนี้ก็การสรุปอย่างเนี้ยก็เป็นวิธีสรุปอย่างหนึ่ง บางทีเราก็สรุปอีกแบบรูปแบบอริยสัจแบบอริยสัจนี่ก็สําคัญนะก็รวมหมดเหมือนกันเนี่ยเวลาเราจะเข้าใจเราจะไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปปฏิบัติตามแนวอริยสัจอีกแหละยโยมไปปฏิบัติอนุปุปสิกขาศีสมาธิปัญญาเนี่ยนะมันก็จะไปตามแนวอริยสัจหมดเลยศีสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะว่าคนที่จะปฏิบัติ สีสมาธิปัญญาเนี่ยต้องมีความรู้ตรหนักอยู่แล้วในเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมักเนี่ยแล้วเพื่อจะให้ได้ผลตามหลักอริยสัจเนี่ยเราจึงปฏิบัติตามใจสิกขาและตจสิกขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนในอริยสัจมันก็ไปอยู่ในอริยสัจข้อสี่ก็คือมักใช่ไหมก็มักมีองค์8แล้วก็มักมีองค์ก็สรุปย่อลงเป็นสมก็เป็นสีสมาธิปัญญา ก็เป็นใจศิกขานันะตัวปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ในอริญญยสัจข้อที่4ก็คือมักแล้วมักที่ปฏิบัติไปเนี่ยมันโยงไปหาอริญญยสัจสมข้อตนหมดเพราะว่ามันทำให้ตัวปัญญามันโยงไปรู้ทุกข์ใช่ไหมแล้วก็มันก็กําจัดสมุทัยได้แล้วมันก็บรรลุนิโรธซึ่งเป็นปฏิเวท ก็โดยการปฏิบัติตามมรรคดันะะนั้นตกลงชุดไตรสิกขาที่เรามาพูดคู่อัญญาปฏิเวโทเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักของอริยสัจ4ี่นั่นเองพูดอย่างนี้คงเข้าใจนะคงเห็นแนวนี่เรื่องอริยสัจสี่เนี่ยเวลาศึกษากันทั่วไปเนี่ยจะให้มองกว้างจริงๆเนี่ยมีวิธีมองอีกอย่างหนึ่ง เพราะบางทีไปมองทุกข์สมุทัยนิโรธมากเนี่ยรามักจะไปติดอยู่กับถ้อยคำใช่มว่าทุกข์แล้วเราก็มานึกไอ้ทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยมันทำให้มองแคบ ม, มีอีกชุดหนึ่งที่มันเป็นตัวแทนของอริยสัจส์่ธรรมะมีอยู่หมดหนึ่งสข้อเหมือนกันแล้วก็พูดคือมันนี่แทนอริยสัจสี่เลยเอ้าวทายให้ญาติโยมนึกกันอะไรเอ มีธรรมะอยู่หมดหนึ่งสี่ข้อพูดแทนอริยสัจได้เลยคือถ้าสรุปธรรมะทั้งหมดคือสิ่งทั้งหลายประดามีไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรธรรมนามธรรมไม่ว่าจะเป็นสภาวะหรือการปฏิบัติเนี่ยรวมอยู่ในธรรมะชุดเนียซึ่งท่านจัดไว้เป็นสี่อย่าง แล้วมันเป็นเรื่องที่มาเกี่ยวกับเราโดยตรงเราจะปฏิบัติให้ได้ผลเกิดผลกับชีวิตที่จะบรรลุสุขแท้ไร้ทุกข์ก็ต้องดำเนินตามเนี้ยก็จะมีวิธีที่ให้กำหนดได้ง่ายและมองกว้างออกไปตรงกริยสัจอัตอมาพูดให้ฟังแย้มขึ้นมาหน่อยก่อนนะข้อหนึ่งท่านเรียกว่า หนึ่งปริญญายธรรมเคยได้ยินไหมหนึ่งปริญญายธรรมแล้วก็สองปหาตับพรรม3ามสัจชิกาตับพรรมสภพาเวตับพรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนพวกเราเพื่อจะให้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็อยู่ในสี่ข้อนเนี่ย แล้วก็สข้อนี้ก็คืออริยสัจสี่นี่แหละข้อหนึ่งเนี่ยทุกเนี่ยแทนด้วยคำว่าปรินญญยยธรรมพอเลยแทนที่เราพูดว่าทุกเนี่ยเราพูดว่าปรินยยธรรมแล้วแทนที่เราจะพูดว่าสมุทัยเนี่ยเราพูดว่าปหาตัปธรรมแล้วก็แทนที่จะพูดว่นนิโรธเราก็พูดว่าสัจชิกาตัปธรรม แล้วก็ข้อสุดท้ายแทนที่จะพู ด, ดวมรรคเราก็พูดว่าพาเวตัพธรรมเป็นยังไงละชุดนี้ชุดนี้จะทำให้เราเนี่ยมองอริยสัจเห็นธรรมะครอบคลุมหมดเลยม่้งงั้นแล้วบางทีเราไปมองแคบเกินไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่ออริยสัจได้ถูกต้องด้วยไม่ใช่มองได้ครบ หนึ่งมองได้ครบถ้วนสองปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งสองอย่างนะมองครบถ้วนแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกเพราะอะไรเพราะหลักอริยสัจเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่รู้หลักการปฏิบัติต่ออริยสัจท่านเรียวกว่าหน้าที่ต่ออริยสัจแล้วเนะี่ยหลงแล้วทำให้พลาดมากเขาขอย่ำคือมีหลักทำหมดหนึ่งถ้าเรียกว่ากิจต่ออริยสัจหรือกิจในอริยสัจ บางท่านคงได้ยินแล้วอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยหรือสำคัญที่สุดขอให้ยมดูในธรรมวจกกิกบประวัตนสูตรถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติกิจในอริยสัตว์นี้ได้ครบแล้วจะปฏิญาณว่าบรรลุโพธิญาณหาได้ไหมรับพังอรรยสัตว์เฉยๆเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันต้อง ปฏิบัติกิจต่ออริยสัจได้ครบถ้ว น, นปฏิบัติกิจต่ออริยสัจจบนั่นแหละจึงจะชื่อว่าได้บรรลุผลของการใช้ประโยชน์จากอริยสัจอีกทีหนึ่งแล้วก็จะปฏิบัติได้ถูกและหลัก กิจหรือหน้าที่ต่อเรียสัตว์เนี่ยมันจะมาเข้าชุดเทียตมาบอกเมื่อกี้ปริญญาธรรมปหาตัปธรรมสัจจีกาตัปธรรมพาเวตัปธรรมโยมอาจจะไม่คุ้นสับแล้วก็ยากนิดหน่อยเดี๋ยวก็คุณเองละพูดไปพูดไปเดี๋ยวก็ง่ายของยากพูดไปเดี๋ยวก็ง่ายเองเอ้าวแล้วจะมันไปยังไงทีนี้เอาเอาให้รู้หน้าที่ต่อเรียสัตว์ก่อน ทุกนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วหน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือปริญญาปริญญาแปลว่าอะไรปริญญาก็โยมที่มานี่ถ้าทุกท่านได้ปริญญากันปริญญาตรีบางโท บ, บางเอกบงังอาบางท่านได้หลายปริญญาปริญญาตัวนี้แหละเป็นหน้าที่ต่ออาวุโส แต่ว่าจะแปลเหมือนกันหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งและปริญญาเนี่ยตัวนี้เราแปลว่าไงเอาแปลง่ายๆกันแล้วกันแปลว่ารู้รอบเพราะว่ายาแปารู้แล้วก็ปริแปลรอบหรือจะแปลว่ารู้เท่ารู้ทันก็ได้รู้เท่าทันก็ได้เอาง่ายๆปริญญาเนี่ยที่เรียนกันมาเนี่ยก็คือมารู้รอบรู้เท่ารู้ทัน อันนี้ก็หมายความว่าหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือปิญญาทุกข์นี้สําหรับรู้เท่าทันเป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้เท่าทันถ้าใครปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกข์ผิดก็แปลว่าไปเลยพลาด เ, ลเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์นะถ้าใครไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ผิดแหละเลยปฏิบัติหน้าที่ต่อเรียสัตย์ผิดข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้วไชัด หน้าที่ต่อทุกคือปริญญาต้องรู้ทันมันทุกเป็นเรื่องสําหรับปัญญารู้ไม่ใช่สําหรับเราจะไปเป็นทุกขนะใครไปเป็นทุกจะ แ, แสดงว่าผิดพลาดแต่ต้นและข้อที่หนึ่งปริญญาปริญญาตัวนี้เป็นนามทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคุณนาไปคุณศรรพัพท์ก็เป็นปริญญาใหปริญญาเป็นปริญญายหญ่ ถ้าโยมบางท่านสวดธรรมจักรกับโพธิสูตรคล่องก็จะจําได้ทุกขังอริยสัจจังปริญญายัางว่าไงนะจำได้ไหมเลยพอนนี่เลยทุกขะ อ, อริยสัจเป็นสิ่งที่จะต้องปริญญานี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยนี่จะใช้ประโยชน์จากธรรมจกรักรกับโพธิสสูตรให้ถูกนะบางทีสวดไปแล้วไม่เอามาใช้นี่ น่าจำให้แม่นเลยทุกขังอริยสัจจังปริญญาใ่ยังทุกขะอริยสัจเป็นเรื่องที่จะต้องปริญญาก็คือรู้เท่าทันมันเอาละหน้าที่ต่อทุกคือปริญญาทุกนี้เป็นปริญญาใ่ยังก็คือเป็นเรื่องที่ต้องปริญญานี่ต่อไปข้อสองหน้าที่ต่อสมุทยัยหน้าที่ต่อสมุทัยก็ ท่านเรียกว่าประหารนะประหานะ<ม>เราพูดเป็นไทยง่ายๆว่าประหารประหารนี่มันคล้ายๆกับที่เราพูดว่าฆ่าแต่ที่จริงคนละตัวที่จริงตัวนี้มันแรงกว่าประหารตัวนั้นอีกตัวประหารตัวรอเรืออันนี้ประหารหน น, นหนูแล้วไม่ต้องมีรอสละในภาษาบาลีประหารรอเรือก็ไม่มีรอสละปอหอสละอารอเรือ อันนี้ในที่นี้ปะหารตัวนี้เป็นนอนหนูปะหานละแปลว่าละหรือกําจัดละกําจัดทําให้หมดสิ้นไปหน้าที่ต่อสมุทัยเหตุให้เกิดถุกก็คือต้องละกําจัดทําให้หมดสิ้นไปนี่ต้องทําให้ถูกต้องทีนี้รูปปะหานละนี่มันเป็นรูปนามคุณศัพท์ก็เป็นปะหาตับพัง อันนั้นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็จะสวดว่าทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันถ้าใครจำแม่นก็จะนึกออกอาจจะมีอิติต่อปะหาตับพันติเมพิกเวปุปเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุงอุธถปาธิญาณังอุตถปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุธปาธิไปเรื่อยไปเลย เอาล่วไปอ่านว่าข้อที่สองสมุทยนี่เรามีหน้าที่ต้องประหารนพูดว่าประหารก็โยมก็เข้าใจง่ายดีแก้ไขกำจัดทำให้หมดสิ้นไปทำหน้าที่ต่ออริยสัจให้ถูกถ้าไม่รู้หลักหน้าที่ต่ออริยสัจแล้วรู้อริยสัจไปแทบไม่มีประโยชน์เลยต่อไปข้อที่สามนิโรดนิโรธ ความดับทุกขหรือการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกนิโรดนิทัติแปลเอาให้ชัดนะแปลว่าการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกนะก็นิโรธเราบรรลุผลเราก็ไม่เกิดขึ้นแห่งทุกก่ะสิโมไปดับทุกดับทุกอยู่ทำไมเราจะมาไม่มีทุกจะให้ดับแล้วโยมบรรลุนิพพานนะไม่มีทุกจะให้ดับแล้วจะไปดับทุกดับทุกทำไมอ่ะใช่หม ผู้บรรลุนิพพานเนี่ยไม่มีทุกข์จะให้ดับเพราะฉะนั้นท่านแปลว่าการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นิโรธเนี่ยมันไม่มีทุกข์จะเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ทีนี้นิโรธนี่เรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ท่านเรียกว่าสัจจิกิริยาสัจจิกิริยาก็แปลว่าการทําให้ประจักษ์แจ้งทําให้ประจักษ์แจ้ง ให้มันชัดกระตัวขึ้นมาเลยให้ประสบเป็นประสบการณ์ตรงของตนเองเลยสัจฉิแปลว่าประจักษ์แจ้งกิริยาก็ชัดอยู่แล้วกิริยาภาษาไทยก็มาใช้ประการกระทําสัจคิริยาก็แปลว่าการกระทําให้ประจักษ์แจงก็หมายความว่านิโรธเนี่ยหรือนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ประจักษ์แจงหน้าที่ตอนนิโรธหน้าที่ตอนนิพพานหน้าที่ต่อความไร้ทุกข์ ก็คือการทำให้ประจักษ์แจ้งก็ตนเองหรือบางทีราใช้ว่าสัจิการะก็ได้นะสัจิกิริยากิริยานะการะการะภาษาไทยก็แปลว่าการกระทาได้กะระการะสัจจิก่อสัจิการะทีนี้สัจิการะสัจิกิริยาเนี่เป็นรูปนามเป็นนามศัพท์ ทำให้เป็นคุณศัพท์ก็เป็นสัจชิกาตพะสัจชิกาตพังเพราะนั้นก็จะบอกว่าอริยสัจข้อที่สนะทุกขานิโรธโอริยสัจจังสัจชิกาตพังว่างั้นน่ทุกขานิโรธอริยสัจหรืออริยสัจข้อที่สมเป็นสิ่งที่สัจชิกาตพะพึงทําให้ประจักษ์แจ้งก็นี่แหละเราจะต้องบรรลุ ทำให้ประจักษ์แจ้งก็คือบรรลุบรรลุผลทําให้เกิดขึ้นเป็นของจริงกับตนเองอันนี้ขอภัยแทรกนิดฝรั่งชอบเพราะมันไปตรงกับภาษาอังกฤษใกล้กันมากเท็อปแล้วเรียลไลท์ทำให้เป็นจริงทําให้ประจักษ์แจ้งทําให้เป็นจริงขึ้นมาก็ตัวนี้ต่อไปเอาแล้วก็ไปข้อที่สอนุญาตสัตว์ข้อที่สี่ก็มักสี่ มักเนี่ยเห็นไหมเวลาท่านเรียกเต็มท่านเรียกปฏิปทานะโยมไม่ได้เรียกมักนะทุกขะนิโรธค า, าไม่นีปฏิปทาอริยสัจจังใช่ไหมสวดในธรรมจักรนะ่ยที่อาตมาบอกเมื่อกี้อ่อนุปุพะปฏิปทาเห็นไหมชื่อแท้เขาอยู่นี่ชื่อแท้เขาเรียกปฏิปทาก็คือมักนี่แหละเราเรียกสั้นๆเราก็เรียกว่ามักหรืออัดถังคิโกมักโค หรือเรียกให้เต็มอีกอริโยอัดถังกิโกมัคโหมัคมีองค์ 8% ประการอันเปิดเสก็ได้แก่ทุกขนิโรธขาไม่มีปฏิปทาอาริยสัจจังอริยสัจคือปฏิปฏาทาดำเนินไปสู่ทุกขนิโรธความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เรามีหน้าที่อะไรท่านบอกเรามีหน้าที่ภาวนาหน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่สคือภาวนา ภาวนาถ้าแปลตามบาลีนัเลยพอนแปลตามบาลีเวลาบาลีท่านแปลท่านอธิบายเนี่ยท่านก็ต้องอธิบายเป็นบาลีเหมือนกับเราให้ฝรั่งอธิบายภาษาอังกฤษเขาก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ น, นี่อธิบายภาษาบาลีท่านก็อธิบายเป็นภาษาบาลีคําว่าภาวนาเนี่ยภาษาบาลีท่านอธิบายว่าวัฒนา ภาวนาเนี่ยแปลว่าวัฒนาแปลเป็นบาลีนะนี่แปลตามคำภีอ่ะแล้ววัฒนาแปลว่าอะไรไทยก็มาแผลงวอเป็นพอก็เป็นพัฒนาดะงนั้นภาวนาคนโบราณจึงแปลกันมาว่าเจริญเพราะวัฒนาเราแลปลว่าเจริญเจริญปัญญาเจริญสมาธิเจริญสมถะเจริญมิปัสสนาเจริญเมตตาเนี่ยภาวนาเท่านั้น จเจริญเมตตาก็เมตตาภาวนาจเจริญวิปัสสนาก็วิปัสสนาภาวนาจเจริญสมถะก็สมถะภาวนาเนี่ยโบราณเขาแปลภาวนาว่าจเจริญแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามานิยมใช้คําว่าพัฒนาก็คือเรากลับไปเอาบาลีแปลเป็นบาลีแต่คนสมัยก่อนนี่แปลเป็นไทยก็ไป็นอันว่าหน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่สี่ คือมักหรือทุกขนิโรธขาไม่มีปฏิปทาก็ได้แก่ภาวนาแปลว่าการเจริญเจริญนี่มันก็แปลตามความหมายโดยอัฏฐะถ้าแปลตามรูปสัพแปลว่าทำให้เป็นให้มีมันยังไม่เป็นยังไม่มีก็ทำให้มันเป็นมันมีขึ้น ทำให้มันเป็นมันมีก็คือปฏิบัตินันเองเพราะฉะนั้นคาว่าภาวนาแปลง่ายๆก็คือลงมือปฏิบัติลงมือทาเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อมักหรืออาิัยสัต์ข้อที่สี่ก็คือลงมือทาหรือลงมือปฏิบัติอันนี้ภาวนานี่เป็นนามเป็นคุณศัพท์ก็เป็นภาเวตับพังหรือภาเวตับพระเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดในธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็จะบอกว่า ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพังมาแล้วเลยพอ น, นี่แหละบอกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อมักเนี่ยเป็นข้อที่พึงภาวนาหรือพึงปฏิบัติลงมือรรมทําทําให้เป็นให้มีขึ้นมาครบแล้วเลยพอ น, นี่แหละสี่ข้อหน้าที่ต่ออริยสัจนี่เรียกว่า หลักกิจต่ออริยสัจหรือหลักหน้าที่ต่ออริยสัจสี่ประการต้องจำให้แม่นเพราะว่าถ้าไม่มีหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องต่ออริยสัจแล้วผลจากอริยสัจจะไม่เกิดขึ้นเลยและพระพุทธเจ้าก็ย้าไ้แล้วนี่บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติกิจในอริยสัจให้ครบเนี่ยเราจะปฏิญาณตนว่าบรรลุ โพธิญาณไม่ได้ เ, เรียกว่าเป็นอาการ12ติปริวัตตังทวาทสาการังอเนยมนึกถึงธรรมจักรกระโปรนสูตรที่สุดสิติปริวัตตังไตรวัตไตรวัตสมรอบแล้วก็ทวาทสาการังแยกเป็นอาการเป็นรายการได้12รายการแล้ว12รายการเนี่ยเอามาทำเป็นรูปธรม ร, ธรมจักรธรรมจักร แบบนี้จะมี12ซี12สซีนี่คือหลักกิจในอวิสัที่มาปฏิบัติต่ออวิสั์โดยครบถ้วนสมบูรณ์จกนกระทัางพระพุทธเจ้าบรรลุโพธิญาเรียกว่าทวาทสาการังสวดเต็มเนี่ยให้โยมทวนในธรรมจักรเองสวดได้เลยติปริวัตตังทวาทสาการังไตรปริวัติสามรอบแล้วก็ คูณอนริยสัตว์สสารอบสคูณ4ี่ก็เป็น12เป็นทวารทศาการังเอามาทำเป็นซี่ของธรรมจักรได้12สซี่นี่นี่คือธรรมจักรแบบที่แสดงว่าได้วนไปสู่การบรรลุธรรมเลยสมบูรณ์ถ้าเป็นแค่8ดซี่มันก็ได้แค่มรรคไปองค์ดครับยังแค่เดินทางอยู่ถ้าปริวัด 3. อาการ12นี่หมายความจอดสรูแล้วเรียบร้อยถ้าบางทีก็ใช้ 3. 7มสี่ก็หมายถึงโพธิปักเกียตามสามสประการอันนั้นก็เรื่องของธรรมจักรเหมือนกันธรรมจักรนี่จะมีหลายแบบเอาละทีนี้ไตรวัตรติปริวัตรปริวัตรสก็คือว่าอริยสัจสข้อเนี่ยแต่ละข้อต้องทำให้ครบสนาที หนึาเรียกว่ารู้ความจริงของมันท e <c oughs> ุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเนี่ยรู้ความจริงของมันรู้ตามที่มันเป็นเียกว่ารู้สัจจะของมันท่านเรียกว่าสัจญาณรู้ความจริงรู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรรู้ตามที่มันเป็นรู้ความจริงของมันนี่รู้อันที่หนึ่งเรียกว่าสัจญาณต่อเนื้อสัตว์ทั้งสี่สองก็กิจญาณ ก็คือรู้หน้าที่ต่ออริยสัจแตละข้อ น, นั้นว่าทุกขเรามีหน้าที่ต้องปริญญาคือรู้เท่าทันมันสองสมุทัยเรามีหน้าที่ต้องประหารแก้ไขกำจัดมันเสียสามนิโรธเรามีหน้าที่สัจิกิริยาเราก็ต้องทำให้ประจักษ์แจ้ง แล้วก็สี่มัคหรือปฏิปทาก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมัคได้เรียกได้หลายอย่างทุกขานิโรธกรมินีปฏิปทาก็ได้มัชฌิมาปฏิปทาก็ได้อนุปุพพาปฏิปทาก็ได้หรืออริโยะทางคิโกมัคโคก็ได้มัคเราก็มีหน้าที่ต้องภาวนาก็คือลงมือปฏิบัตินี่คือรู้กิจต่อมันเรียกว่ากิจญากิจญาสองแล้วนะ หนึ่งสัจญาณสองกิจญาณสัจญาณก็รู้ความจริงของมันกิจญาณก็รู้หน้าที่ต่อมันสทีนี้ตอนนี้ที่ว่าจะสำเร็จมารู้หน้าที่แล้วทำหน้าที่ให้สำเร็จทุกเรามีหน้าที่ปริญญาเราได้ปริญญาแล้ว น, นี่สมุทยัยเรามีหน้าที่ต้องประหารเราได้ประหารมันแล้ว สนิโรธเรามีหน้าที่ต้องสัจจิกิริยาประจักแจงเราได้สัจจิกิริยาทําให้ประจักแจ้งแล้วสีม่มรรคหรือปฏิปทาเรามีหน้าที่ต้องภาวนาเราได้ภาวนาปฏิบัติครบทุนแล้วอันนี้เรียกว่ากะตาญานเพราะว่าได้ทําหน้าที่แล้วรู้ความจริงของมันรู้ตัวอริยสัจนั้นรู้ตัวอริยสัจเรียกว่าสัจจะยะ แล้วรู้หน้าที่ต่ออริสัตย์เรียกกิจจัยานแล้วก็รู้ว่าเราได้ทําหน้าที่ต่ออริสัตย์แต่ละข้อ น, นั้นครบถ้วนแล้วเรียกว่ากะตายานนี่คือไใจปริวัติปริวัติสมไงใช่ไหมเลยว่าเนี่ยต้องครบถ้าไม่ครบใจปริวัติแล้วไม่ตรัสรู้บรรลุทำไม่ได้ถ้าไม่ครบใจปริวัติโดยเฉพาะอันที่สามใช่ไหมก็ต้องทําแล้วจึงรู้ว่าทําเสร็จแล้ว แต่จะมาถึงอานที่สมได้ก็ต้องผ่านที่หนึ่งที่สองก่อนสัจจญาตกิจญานกัตยานแล้วก็สี่ข้อก็สก็คูณ4เป็นส2บสก็ครบก็เรียกว่าติปริวัติตังทวาททศากานมีปริวัตสมมีอาการ12บครบแล้วเรียพนี่แหละเอาไรเรื่องอริยสัตว์ก็มีอย่างเนี้ยทีนี้แปลว่า เรารู้เรื่องอริยศาสตร์และเรารู้เรื่องหน้าที่ต่ออริยศาสตร์เพื่อทําหน้าที่นั้นให้ถูกต้องครบถ้วนอันนี้เรื่องหน้าที่ต่ออาญาศาสตรมันก็เลยมีความหมายคลุมไปว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรที่มันอยู่ในเรื่องของทุกข์มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปริญญาหมดเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องต้องปริญญาเนี่ยท่านก็เลยเรียกชื่อซะว่าปริญญายธรรมแปลว่าธรรมที่จะต้องปริญญาอะไรอะไรบรรดามีในโลกนี้นี่พวกหนึ่งมันอยู่ในปริญญายธรรมหมดอันนี้เราไม่ต้องเรียกว่าทุกข์ก็ได้ เ, เรียกว่าปริญ ญ, ญายธรรมถ้าจะไปจัดก็คือตรงกันข้อทุกข์ก็ตรงกับปริญ ญ, ญายธรรมเอาละทีนี้อันนี้ตมากําลัง กลับมาเข้าไอ้ชุดที่บอกไว้แต่ต้นชุดที่ว่าธรรมะสี่หมวดหนึ่งปริญญาธรรมสองปหาตัปรธรรมสาสัจจิกาตัปรธรรมสี่พาเวตัปรธรรมก็แปลว่าสิ่งทั้งหลายประดามีในอันที่หนึ่งเราจังรู้เท่าทันมันก็เรียกว่าปริญญาธรรมธรรมะที่จะพึงรู้เท่าทันแล้วก็สอง สิ่งทั้งหลายประดามีที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขกำจัดในเข้าข้อสองเรียกว่าปหาตัปธรรมแล้วก็สสิ่งทั้งหลายประดามีที่เราจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งบรรลุผลให้เกิดเป็นผลเป็นจริงขึ้นมาก็เรียกว่าสัจชิกาตัปธรรมแล้วก็สสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติ ข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงอย่างง่ายๆที่เราเรียกว่าจริยธรรมอะไรอะไรพวกนี้นั่นเลยพอสิ่งที่เราจะต้องทําต้องปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมห ล, ลึกๆกว่านั้นเป็นคุณธรรมเป็นอะไรความดีเป็นคุณศลเป็นอะไรทั้งหมดก็เป็นข้อสี่เรียกว่าภาเวตัพธรรมธรรมะที่จะพึงภาวนาที่จะพึงปฏิบัติหรือลงมือทำํทำหรือทําให้เป็นให้มีขึ้นมาให้เจริญขึ้นมา ทำให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นมาจนกระทั่งมันครบถ้วนสมบูรณ์ตกลงก็มีสี่ข้อการหนึ่งธรรมะสิ่งที่ต้องปริญญาสิ่งที่ต้องปหานะสิ่งที่ต้องสัจจิกิริยาและสิ่งที่ต้องภาวนาก็ครบแหละอ้าวทีนี้เพื่อให้มันมาโยงประสานกับชุดอริยสัจสี่ที่ว่าเมื่อกี้ทุกสมุดไทยนี้โหลดมาท่านก็จะมาจับตัวเด่นให้ ในชุดสี่ที่อาตมาพูดเมื่อกี้ชุดปริญญาธรรมปรหาตัปรธรรมสัจจิการตัปรธรรมภาเวตัปรธรรมโยมจะได้ไม่ต้องไปพูดถึงทุกอีกพรอมาพูดพูดถึงชุดปริญญาธรรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกรรมทุกข์ก็ได้แต่ที่จริงปริญญาธรรมเนี่ยมันก็คือทุกนั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าจัดว่าไงพระพุทธเจ้าก็จะตัดเช่นพระองค์จะถามขึ้นมาก่อนคือเวลาพระองค์จะตรัส อธิบายพระองค์ว่าจะตั้งเป็นคำถามปริญญาธรรมคืออะไรหรือปริญ ญ, ญาธรรมนี่เป็นเช่ไหนจุดเน้นของปริญ ญ, ญาธรรมคืออุปาทานขันห้ายนี่แหละอุปาทานขันห้าถ้าเราเรียกง่ายๆเราก็เอาแค่ขันห้าขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเนี่ยถ้าพูดภาษาอภิธรรมก็คือรูปนามเรียกว่าง่าย รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายสภาวะต่างๆเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยสิ่งทั้งหลายประดามีที่เป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรทั้งหมดหรือเราเรียกกับขันห้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หมดมันเป็นทุกข์ในอายุสัตว์ก็คือมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หมายความว่าถ้าเธอปฏิบัติผิดยึดมั่นถือมั่นมันเกิดเรื่องทันทีเลยอันนี้แหละ เหมือนกับหมอจะเป็นแพทย์จะได้เป็นแพทย์ขึ้นมาเรียนแพทย์จะรักษาบำบัดโรคเนะี่ยแทนที่จะไปเรียนเรื่องโรคเริ่มต้นเรียนอะไรรู้ไหมเรียนเรื่องร่างกายคนเรียนเรื่องสรีรวิทยาเรียนเรื่องกายวิภาคอ้าวก็ไหนจะมาแก้ไขโรคทำไมไม่เรียนเรื่องโรคก็ไปเรียนเรื่องร่างกายคน ก็เพราะว่าร่างกายคนนั้นแหละเป็นตีตั้งแห่งโรคเพราะนั้นเนี่โรคมาเกิดที่กายคนทีนี้ทุกมาเกิดที่ไหนมาเกิดที่ขันหา้า เ, เหมือนกับแพทย์จะเรียนรักษาบําบัดโรคก็เรียนที่ร่างกายคนฉันใดผู้ที่จะเรียนแก้ไขทุกข์ให้บรรลุธรรม ให้ชีวิตนี้ดีงามมีความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเข้าใจชีวิตซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นั้นซึ่งจะแก้ไขทําให้ดีแล้วจะได้บําราดทุกข์ น, นั้นก็เลยต้องเรียนเรื่องชีวิตก็คือขันห้าหรือรูปนามอันนั้นแทนที่จะใช้คำว่าทุกข์ตอนนี้ท่านไม่ใช้แล้วพอมาปริ ญ, ญญาธรรมคืออะไรบอกคือปาทานขันห้าพูดภาษาวิธรรมก็พูดง่ายงายรูปประธรรมนามธรรมหรือรูปนาม จะใช้คำไหนก็ได้ก็คือสิ่งทั้งหลายประดามีนที่มันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือเราปฏิบัติผิดต่อมันและทุกทันทีลยโยมอะไรต่ออะไรเนี่ยอ้าวหนึ่งละปริญญ ย, ยธรรมสองปหาตปรธรรมถ้าเราเรียนแนวอนริยสัจเราก็บอกอ๋อสมุทัยก็ตัญหา ถ้าสืบลึกไปตามกระบวนปฏิจจสมบทัทก็อวิชชาใช่ไหมแต่ว่าเวลาใช้บทง่ายๆชุดง่ายเนี่ยบอกว่าอริยสัจข้อที่สองสมุทัยคืออะไรเลยมากเราจะจำกันว่าคือตัณหาแต่ที่จริงนั้นถ้าพระพุทธเจ้าตรัสละเอียดพระองค์ไปที่อวิชชาคือปฏิจจสมบทัททั้งหมดซึ่งลงไปถึงอวิชชาทีนี้มาในชุดนี้จะชัดเลยชุด ปหาตปธรรมนี่ปหาตปธรรมเป็นฉไนปหาตปธรรมได้แก่อวิชชาภวตัณหาเพราะงั้นอันนี้บอกตัวเน้นเลยตัวที่เราจะต้องจัดการก็คือตัวแท้ตัววิชานี้ต้องจัดการแก้ไขกําจัดแล้วก็ภวตัณหาตัวเด่นมาอยู่ที่ภาวะตัณหาหรือท่านไม่พูดตัณหาเฉยๆแล้วตอนนี้ท่านเอาที่ภาวตัณหา เอาละโยมวันนี้ต้ตมาเพียงให้รู้แนวให้จุดเน้นอยู่ที่ไหนนินะนี่ชุดปหาตปรธรรมที่พระพุทธเจ้าจี้เลยปหาตประธรรมเป็นชนไหนได้แก่อวิชชาและภวัตนาต่อไปสามทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังแต่ว่าตอนนี้ไม่เรียกแล้วนะเรียกอะไรเรียก สัจฉิการตับรธรรมประดาสิ่งทั้งหลายที่จะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งหรือสัจชิกิริยาพระพุทธเจ้าก็ตรัดเจาะลงไปเลยบอกสัจฉิการตับรธรรมเป็นไฉไหนได้แก่วิชาและวิมุตต์ว่างั้นนะเนี่ยเอาแค่สองตัวเนี่ยแหลกะก็วิชาก็คือยอดของปัญญาปัญญาที่รู้ประจักษ์แจ้งสัจธรรม ถึงขั้นทำลายกิเลสได้เนี่ยเรียกว่าวิชาก็คือปัญญาที่มันมาถึงขั้นทำลายกิเลสได้ไม่ใช่ปัญญาในความหมายที่กว้างจนพเพาแม้แต่ปัญญาไปเรียนรู้วิชาชีพปัญญาไปเรียนรู้เรื่องดินน้ำลมไฟอะไรธรรมดาเนี่ยก็ปัญญาทางนั้ น, นปัญญาไปทำหมหายเรียงีพปัญญาไปก่อสร้างอะไรต่างๆหล่ะเนี่ยปัญญา ทางนั้นมันกว้างไปตอนนี้ท่านใช้คำว่าวิชาแต่ที น, นี้วิชาภาษาไทยกลับเอามาใช้กว้างซะอีกเลยยุ่งเลยเนะเอาแล้วกลับไปวิชาภาษาพระวิชาก็หมายถึงความรู้แจ้งที่เป็นปัญญาอันเกิดจากวิปัสสนาเลยเป็นวิชาที่จะทำลายกิเลสได้ ทำลายอวิชชานั่นเองพูดง่ายๆก็อวิชชามันตัวลายใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วนี่ตัวต้องกําจัดก็ตัวที่มันเป็นต้นตอรากเง้าตัวลายก็อวิชชาเพราะฉะนั้นตรงข้ามก็คือวิชชาเมื่อกี้เราบอกว่าไอ้ตัวปหาตัปปัรฐ์คืออะไรคืออวิชชาเพราะว่าตัณหาตอนนี้มาก็ตอนสัจจิกาตัปปรฏฐก็คืออะไรก็คือวิชชาวิมุต วิชาก็ตัวปัญญาที่กำจัดอวิชชาได้แล้วก็เกิดวิมุตต์คือความหลุดพ้นเป็นอิสระหลุดพ้นวิมุตต์นี่รวมหมดตั้งแต่โสดาบันไปเมืแม่แต่ก่อนนั้นเป็นตทถังควิมุตต์ก็ได้วิมุตต์นี่กว้างตั้งแต่โลกิยวิมุตต์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงโลกุตราวิมุตต์โลกุตรวิมุตตตั้งแต่ของพระโสดาไปจนกระทั่งพระอาหารหันต์หมด แต่ก็รวมแล้วก็คือต้องในวิมุตินี่แหละวิมุติถูดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสลุดพ้นจากทุกหมดและทุกไม่มีเหลือเอาแล้วเลยพอก็ไปว่าสิ่งที่จะต้องสัจจิจิยาก็คือวิชาละวิมุตต์ต่อไปสุดท้ายก็ข้อสี่ภาเวตพระธรรมธรรมะที่จะต้องภาวนาก็ตรงกับข้อมักนั่นแหละแต่ตอนนี้ท่านไม่ใช้คำว่ามักแล้ว เป็นวิธียักษ์เยืองนี่แหละพระเทศนาของพระพุทธเจ้าตอนนี้ชุดนี้จะจัดว่ายังไงเป็นจุดเน้นเลยคือคล้ายๆพระองค์ประมวลให้อีกทีหนึ่งก็บอกว่าพาวยตัพธรรมเป็นชนัยได้แก่สมโถจวิปัสสนาจะวงั้นได้แก่สมะและวิปัสส น, นะก็คือเอาแก่นของการปฏิบัติ เราก็ไม่เลยมาเรียกสมถว่าสมถภาวนาวิปัสนาเราก็มาเรียกวิปัสนาภาวนาก็เลยเรียกว่าภาวนาสองความจริงภาวนาเนี่ยมันพูดได้เยอะภาวนาสี่ก็มีถ้าจะครบกระบวนก็ภาวนาสวัดผลกันเต็มที่แต่ในแกนกลางตัวหัวใจของการปฏิบัติจุดเน้นสําคัญในการที่จะบรรลุผลเนี่ยอยู่ที่ภาวนาใหญ่สองอันเนี่ย ขั้นสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็เป็นขั้นจิตก็คือมุ่งสมาธิสมถะนี้เป็นตัวที่มุ่งให้เกิดสมาธิไม่ว่าระดับไหนทั้งนั้นก็รวมอยู่ในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะจะไปถึงอรูปฌปานอะไรจะได้สมาบัติครบ8แล้วก็อยู่ในเรื่องสมถะนี้หมดสมาธิระดับไหนลึกแค่ไหนก็อยู่ในเรื่องสมถะนี่สมถะแต่ก็อยู่ขั้จิตนะ แล้วก็วิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาแล้วปัญญาจำเพาะที่รู้แจ้งความจริงตามสภาวะตามที่มันเป็นมองเห็นพระไตรลักษณ์รู้ปฏิจจสุบาทอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นวิปัสสนาคือหมายความว่ารู้สภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็รู้เหตุปัจจัยของมันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นปจัจจัยกันอย่างไรเป็นต้นจนกระทั่งว่า เข้าใจแล้วก็มองเห็นไตรลักษ์เลยก็เรียกว่าโยงมดตอนนี้วิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่เราเรียกว่ารู้นามรูปเป็นต้นไปแล้วก็ไปรู้เหตุปัจจัยเข้ามันที่เรียกว่าปัจิยาการหรือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไปถึงเห็นไตรลักษ์อีกทีก็หมดครบก็คือรู้ประจักษ์แจ้งความจริงตามหลักวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะอันเนี้ย พอวิปัสสนาได้บรรลุเต็มที่ก็เกิดเป็นวิชาขึ้นมาในข้อที่สแล้ววิชาก็ให้เกิดวิมุตขึ้นมานิยมได้เรียนในชุดสี่ที่ใช้พูดแทนชุดอริยสัจสี่อันเดียวกันแต่ชุดนี้จะเน้นชัดเลยใช่ไหมอาตมาทวนอีกทีหนึ่งเป็นน้นว่าธรรมะ ทั้งหลายบรรดามีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มนุษย์จะมาเอามาใช้ทาประโยชน์กับชีวิตของตนเองจนกระทั่งได้บรรลุจุดหมายที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นผู้ที่มีชีวิตดีงามเป็นสุขไม่มีความทุกเนี่ยท่านจัดเป็นสี่หมวดเป็นสี่ประเภทด้วยกันหนึ่งปริญญาธรรมธรรมะที่ต้องปริญญาได้แก่อุปาทานขันหและก็สอง ปหาตปรธรรมธรรมะที่ต้องปหารหรือกําจัดแก้ไขทําให้หมดสิ้นไปได้แก่อวิชชาภาวะตนาและก็บสาัจจิกาตปรธรรมธรรมะที่ต้องสัจจิกิริยาคือต้องทําให้ประจักษ์แจ้งหรือบรรลุผลได้แก่วิชชาและวิมุตติ แล้วก็ไปสี่พาเวตัพธรรมธรรมะที่ต้องภาวนาหรือต้องปฏิบัติต้องเจริญต้องทำให้เป็นให้มีคือลงมือทำ<ม>ได้แก่สมถะและวิปัสสนาก็จบครบแหละกระโยงให้เห็น<ม>กระบวนการเราปฏิบัติสมถะวิปัสสนามันก็อยู่ในอริยสัจนี่แหละไม่ไปไหนหรอกก็อยู่ในข้อมรัก ทุกขนิโรธคาม่มีปฏิปทาเขาจะจ้าก็มาจี้ให้เห็นในชุดเนี่ยเรามาออกมายเด่นไปเลยมีอะไรสงสัยไม่เลยพอนถ้าไม่มีอัตมาก็คุยไปก่อนน่าเชิญเลยพั้